بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไม่ยัสมซีดไม่ยัสมอิดนะสุรดิยุนส์คุณยังพูดถึงเรื่อง ที่จะปอบใจท่านนบีสุลตลอนลยุสละลัมและคนที่เดินตามรอยเท้าของท่านคือคนที่ทำงานศา ส, สนาและเผยแพร่อิสลามถูกปฏิเสธและถูกต่อต้านจากหมู่ชนที่ไม่ศ ร, รัทธาหรือปฏิเสธการศรัทธาซึ่งในอายะ14สิบสี่ถึงอายะอายะสิบอถึงอายะ14บสี่ก็ยังพูดถึง มูชนที่ไม่เชื่อในการพบกับอัลลอฮฺสุภาณอห์ตาล์กล่าวคือไม่เชื่อในวันเกียรมาซึ่งเป็นเวลาแห่งการตัดสินที่มนุษยชาติทุกคนจะต้องยืนต่อหน้าพระพักตร์อัลลอฮฺสุภาณอห์ตาล์และรับกันตัดสินการพิพากษา ต่อสิ่งดีและไม่ดีที่ตนที่ตนเองได้ได้ทำตลอดชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ในฮะดีสบทหนึ่งที่ทนนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮัลลัมิมวันอัลลอฮ سبحانه แะ تعالى ท่านนบีจะจะสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยการสนองและยอมรับในสิ่งที่อลลอเรียกร้องซึ่ง ขันน์ของดูอ่านในนบีจับกวาวิลิคาค์ค์ักน์วัลเจนต์ต์พักนวัลนาร์หักน์ลิคาค์คการพบกับท่านเนี่ยหักนมีจริงการพบกับอัลลอฮฺสุวาห์นะวะท่ามีจริงแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยในตัวบทอย่างกว้างขวางพอสมควร ถ้าเราไม่ยึดในคําศัพท์ที่ว่าเหลียกาเนี่ยเหลียกว่าไม่พบแล้วเราเอ า, เอาคําศัพท์อื่นที่มีความหมายใกล้เคียงในคุณอ่านลาฮดิซมีเยอะมากการมองเห็นอัลลอฮ์ก็ดีการสนทนาพูดคุยกับอัลลอฮ์ก็ดีเรื่องนี้นี่มีมากนะครับนในคุณอ่านลหฮดิซุนท่านนะพี่โซลเราเราต้องการให้เราได้เชื่อและศรัทธานในเรื่องนี้ าเราจะต้องพบกับอัลลอฮ์สุภาของเการพบกับอัลลอฮ์เนี่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องตรหนักให้ดีแสดงว่าเรื่องนี้มันมีผลต่อชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนหมายถึว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถจำแนกได้ระหว่างมนุษย์ที่เชื่อว่าจะพบอัลลอฮ์กับมนุษย์ที่ไม่เชื่อว่าจะพบกับอัลลอ์ แท้จริงแล้วถ้าวิเคราะห์ดีนะเจนว่าความเชื่อนี้เนี่ยมันจะสรุปอะไรหลายอย่างเพราะการที่เชื่อในพบการที่เชื่อว่าจะพบอัลลอฮ์สุภาโนะอะไรล่ะโดยปริยาเนี่ยก็ต้องเชื่อว่ามีอัลลอฮ์องค์องค์เจ้าเนี่มีจริงต้องเชื่ออยู่แล้วมันจะไปพบใครเชื่อว่าจะพบอัลลอฮ์ก็ต้องก็ต้องเชื่อว่ามีอัลลอฮ์เชื่อว่าพบอัลลอฮ์นี่ต้องเชื่อในพระอัมนจ บรมีของละซูานอัลลอฮเพราะมิฉะนั้นการพบองค์พระองค์ก็ไม่มีความพบแล้วทําไมพระองค์พระอเล่าทำไมพระองะองค์เ ล, ล่านี่เพราะมันจะเป็นชะตากรรมของพวกเราทุกคนเพราะผู้ที่เราจะไปพบพระองค์เนี่ยจะเป็นผูพ้พิภาคษาตัดสินชะตากรรมของเราจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์จะรอดหรือไม่รอดนี่ก็อยู่ที่พระองค์ท่านเชื่อในการพบนี้จึงเป็นเรื่อง สำคัญอุลามาบางท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเคล็ดลับของการทำไมบาดที่ผู้ศรัทธาทุกคนได้กำลังใจในโลกนี้โลกนี้เนี่ยเราทำไมบาดเราสักการะต่อพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ได้ยินเสียงพระองค์ไม่ไดไ้ไม่มีอะไรที่ทำให้เราสื่อสารกับพระองค์หมายถึงว่าด้วยอวัยวะ มองเห็น a l l a ได้ไหมคุยกับ a l l a นี่ได้ยินเสียง a ล l a ไหมแม้มกระทั่งการที่จะพิสูดวะ a า l a h ซุบฮ า, านวุวาตาไลเห็นเราหรือได้ยินเรานี่นี่มันก็ขึ้นขึข้นอยู่กับการที่เรามีความเชื่ออะไราบางอย่างหนึ่งในนั้นนะ่ะว่าผู้ศรัทธามีกาลังใจว่าจรไม่บาดาในโลกนี้ตลอดชีวิตเนี่ยว่างว่า หวังว่าถ้าเราได้ทำไม่บาดานแล้วก็ยืนหยัดเนี่ยเราจะได้มีโอกาสพบพระองค์จะอนุญาตให้เราได้พบกับพระองค์ไม่งั้นมันก็ไม่มีกําลังใจอะไรเลยมันไม่แทบไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำให้เราจะต้องยืนหยัดอดทนต่ออุปสรรคต่างๆในการทำไม่บาดานในโลกนี้แทบไม่มีเลยทำไมเหนื่อยกันทาไม เนื่เพราะมันมีรางวัลใหญ่หลวงที่เรารอคอยเหมือนอุลามาบางท่านเขก็บอกว่าการที่เราเสียสละความสุขอะไรหลายอย่างในโลกดุญญนนี้หลายอย่างในโลกดุญญนี้การที่เราเกิดมา มีหน้าตาไม่หลอ่อไม่สวยมีหุน่นมีร่างกายที่ไม่ไม่น่าพึงพอใจการที่เราอยากจะมองถึงคนที่มีหน้าตาดีแต่เราพยายามที่จะหลี่สายตาของเราเพื่อไม่ทำในสิ่งที่เลาห้ามการที่เราอดทนในการงดการแสวงหาความสุขบางอย่าง ที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ในโลกดุนยาหนีทั้งดังที่เป็นเป็นความสุขที่ทุกคนเนี่ยเขาอยากได้ในโลกนี้แต่เราพยายามที่จะอดทนงดสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ให้เข้าใกล้เพราะอะไรเพราะเราเชื่อในความสวยงามที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เตรียมไว้สําหรับพวกเราและหนึ่งในนั้นในการที่เราจะได้จะได้เห็นความสวยงามของพระองค์อุลมะบางท่าน ได้บอกว่าเพียงครั้งแรกที่เราได้มองถึงพระพักขององค์และสามารถมองเห็นพระผู้ทรงสร้างความสวยงามต่างๆที่เรามองเห็นกันในโลกนี้แล้วเป็นที่ที่อึ้งสำหรับคนเราทุกคนมาตรฐานที่เราบอว่านี่สวยนี่หล่อนี่อะไรนี่ใครเป็นผู้สร้างอะความสวยงามนี่ก็มอง ทีน้องลองคิดดูสิถ้าหากว่าความสวยงามที่ทํำให้ชาวโลกนี้อึ้งกันทั้งโลกเนี่ยด้วยความสวยงามอย่างหนึ่องอย่างได้ที่อ Allah สร้างไว้นี่นะแล้วผู้สร้างความสวยงามเนี่ยพระองค์จะมีความสวยงามขนาดไหนอัลมาได้บอกว่าเพียงเห็นพระพระคุณของ الله, แล้ะก็เห็นความสวยงามของขอ ง, ของพระองค์เพ ร, ะพระาะในบีบอกว่าอินนัมมะฮะจะมีหนุนพระองค์ทรงมีความสวยงาม ยอบบุลจามาและพระองค์ทรงรักความสวยงามชอบความสวยงามเพียงเห็นความสวยงามของพระองค์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้อดอยากกันในโลกนี้เกี่ยวกับความสวยงามทั้งหลายเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าแต่จากคนที่วิ่งหาวิ่งเต้นแสวงหาความสวยงามในโลกนี้โดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามที่เกี่ยวสวบความสวยงามที่อัลลอฮห้าม ความงดงามที่มีในอันปรตโลกเนี่ยก็คงจะห่างไกลจากเขาซึ่งสอดค้องกับสิ่งที่ท่านนบีสุลต่าละฮ์วะลัยฮสั่งสอนพวกเราการที่เราพึงพอใจในสิ่งี่ียวเราให้กับเราและเชื่อว่ามันสวยงาม พราะอัลลอฮฺให้มาคนหนึ่งขาเป๋ค่ะขานี่งอเวลาเดินเดินเนี่ยก็จะเป๋กะเพกกะเพิกกะเพกอนี้เขาก็จะพยายามเอาเครื่องนุ่งห่มเนี่ยได้ปิดได้ปิดส่วนความเป็นพิการของขาของตัวเองคนนราเนี่ยเวลามีอะไรเนึ่ยก็เขามีตําหนิมีตําหนิ แต่านามีอะไรเนี่ยมีตําหนิขามีอะไรเนอะมีตําหนิเมือนเราเป็นสินค้านะแต่นบีได้บอกกับคนขาเป๋คนนั้นนะบอกว่าไม่ต้องให้ให้ดึงสรองอ่ะสรงที่ตัวเองอิจาร์เนี่ยให้ดึงขึ้นมาให้ให้สวมเหมือนคนทั่วไปคืออย่าให้เลยตะตุ่มคือเขาเนี่ย ป่อยเสื Son ้อให้มันเลยแต่ตมลากลากไปเลยซึ่งมันเป็นข้อห้ามเนี่ยลากไปเลยเพราะจะได้ปิดปิดส่วนที่เป็นพิการนะนายดึงเสื้อเลยอินฟาอิซาระกดึงผ้าขึ้นมาไม่ึงว่าให้ให้เด้งกายเหมือนผู้ชายทั่วไปอย่าอายอินนักุลล์ خ ل อัลลอฮ์ حسن ุโครงสร้างทุกโครงสร้างที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยย่อมสวยนา สวยงามเพราะอเราแซงส่วนที่สายตาของเราและสายตาของคนนี่มองว่ามันไม่สวยงามมันก็เป็นมุมมองแต่ผู้ศรัทธานี่ไม่ได้ยึดมุมมองของตัวเองเป็นที่ตั้งอนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากอัลกุรอานจากฮะดิษนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมเพื่อจะได้มาปรับมุมมองของเราในตอนใช้ชีวิตในโลกนี้ปับมม อ, อะไรหลยอย่าง คนเขามองอยังไงเรามองอยังไงคนเขามอ ง, องไงเราจะมอ ง, องไงนี่มันไม่ใช่ประเด็นหลักที่ว่าอมเมาต้องการให้เรามองอยางไงและมุมอมองนั้นนะ่ะที่จะทำให้ชีวิตของเรานี่มีความเรียบร้อยมีความมีความสวยงามแต่คนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคนเรานี่ ท้าทีในโลกในโลกนี้ในชีวิตเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะตัดสินตามความต้องการ <c oughs> ความต้องการของตัวเองชอบอะไรก็อยากได้ไม่ชอบอะไรเนี่ยก็จะหลีกเลี้ยงชอบใครก็ชิ้นชมไม่ชอบใครแช่งไม่คำหนึง่งสิ่งที่ชอบนั้นนะอน่ะอัลลอฮฺอนุญาตให้ชอบไหม สิ่งสิ่งที่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีงามงดงามนั้นนะ่ะอัลาลออนุญาตให้ชอบไหมและสิ่งที่เรารังเกียจที่เราที่เราแช่เนี่ยอัลาลอชอบหรือไม่ชอบอพอเรามาตั้งหลักมาคิดใหม่ปรับมุมมุมมองใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าชีวิตของเราอาจจะมีอะไรพลาดเยอะเหมือนกลุ่มชนที่อายะสิบอ็ดถึงสิบสี่เนี่ยจะเล่าเรื่องราวของ อของลักษณะของมนุษย์น่ะกลุม่มนุษย์บางคนเนี่ยที่เขาดำเนินชีวิตเขายังไงมุมมองของเขายังไงและกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺในการที่จะวิจารเข้าในการที่จะตัดสินวิพากษาเขาเนี่ยเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะได้ปลอบใจว่าเออคนเขามองยังไงคนเขากำหนดทิศทางของเขายังไงเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องท้อแท้เรา ต้องคำหนึ่งถึงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาวาตาละได้วางไว้เป็นมาตรการอัลลอได้พูดถึงมนุษย์ชนิดหนึง่งมนุษย์กลุ่มหนึง่งเวลาเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาก็ขอด้วยอ่ะก็คือเกิดทุกคนเน่เป็นแบบนี้แหละอยากได้อะไรขอด้วย บังทีเรากไ็ไม่นั่งคิดนะว่าไอ้ที่เราที่เราอยากได้ที่เราขอดูอ่านเนี่ยมันมีความชอบไหมบางทีเราก็หาความชอบให้ตัวเองให้ได้ช่วยขอดูอาให้หน่อยผมจะแต่งงานจะแต่งงานคนนี้ช่วยขอดูอให้หน่อย การขอดุอาให้แต่งงานเนี่ยนี่แน่นอนมีความชอบแต่เฉพาะคนนี่ยนะอาจจะไม่ดีก็ได้ฉะนั้นผู้รู้บางท่าน่มีคนจะมามาเรียกร้องบอกว่าฉันขอดุอาขอดุอาให้ฉันหน่อยฉันกลังเดินทางจะไปทําธุรกิจฉันกำลังเดินการ จ, จะแต่งงานกับคนนี้ผู้รู้คนนี้ก็จะขอดุอา แต่เขาจะขอยไงกระดัลลอุเลกัลขัยระขอให้อหัลลอฮ์ได้ส่งเลือดสิ่งที่ดีงามที่ท่านกําลังดําเนินการอยู่อัลม AH, AH ักอัลลอฮ์ส่งเลือกดีกว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วก็มีเจตนาแฝงอยู่ที่อาจจะเป็นเจตนาที่ไม่ดีก็ได้เราทําธุรกิจอยากได้กําไรสักก้อนหนึ่งกําไรดีสักแ ส, กสนหนึง ช่วยขอด้วยให้หน่อยนี่ถ้เนี่ยผมจะได้แสนหนึ่งช่วยขอด้วยให้หน่อยได้แต่สิ่งที่มันแฝงอยู่แล้วไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองนะว่าไอในแสนหนึ่งเนี่ยเรามีเจตนาจะเอาบางส่วนนี่ไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไหมไ <c oughs> ม่รรู้นอกจากตัวเราเองแน่นอนมันจะมีความชอบแท้กว่า เราสัจจริงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการที่จะนำทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในสิ่งที่มีความชอบในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศาสนาแต่คนส่วนมากนี่จะรีบร่งในสิ่งที่ตัวเองต้องการถึงแม้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นน่ะมันมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ชอบแต่มันก็เป็นเรื่องดีในสายตาของเราเป็นเรื่องดีในสายตาของเรา และจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีในใสายตาของเราแต่อาจะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีในมุมมองของหลักการศาสนาก็ได้บางทีเราก็เร่งเช่นเดียวกันมีคนหนึ่งเราไม่ชอบทำอะไรให้เราไม่ชอบไม่ชอบเขาชอบเตือนเรา เจอเมื um th ma, ่ไรก็เองเมื่อไรจะไปทําฮัตส์ทีเองมีเงินเยอะขนาดนี้ไปเที่ยวทั่วโลกแล้วไม่ยอมไปทําอุมงค์ไม่ต้องเจอเมไรนึ่งเมื่อไรจะไปทําฮัตส์ทีโถ่เมื่อไรจะทำฮัตส์ทีลายมัน่จตายซะเชงนะตายซะคือถ้าถามตอนนั้นนะอะไรที่ท่านอยากได้ตอนนี้เลยอ่าให้คนนี้มันตายซะ มันจะได้ไม่มาก่อกวนฉันอันเนี้ยในเรื่องดีหรือเรื่องเลวเนี่ยเราก็รีบเรึ่งแต่เราควรว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงกรุณาเรื่องดีเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะตอบรับให้แต่จะเร็วจะช้าเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์แต่เรื่องเลวร้ายส่วนมากเนี่ยที่เรารีบเร่งนะนะส่วนมากเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับ นอกจากว่านอกจากว่าเราวิงวอนในเรื่องเลวร้ายนี่นะที่ไปแช่งคนอื่นหรือไปเรื่องความเลวอะไรบางอย่างเนี่ยมันไปบรรจบกับช่วงเวลาอาุมุตจาบโดยบังเอิญ น, นะก็จะถูกตอบรับแต่โดยรวมนะโดยทั่วไปนี่ยอาเนาะจะไม่ตอบรับสิ่งที่เราขอแล้วก็เป็นสิ่งที่เลวร้าย รือเป็นการทาร้ายคนอื่นหรือทาร้ายตัวเราก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับนี่เป็นความกรุณาความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และถ้าอัลลอฮ์ทรงริ่งตอบรับความชั่วของมนุษย์ เด้งตอบรับความชั่วของมนุษย์ที่มนุษย์วิงวอนให้ตัวเองหรือคนอื่นวิงวอนให้มีด้วยคนทีน่จะวิงวอนสิ่งเลวร้ายให้ตัวเองคือเขาไม่ไม่มองไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายไงเพื่อนชวนไปเที่ยวไปเที่ยวฝรั่งเศสทําอะไรไปเที่ยวผักที่นูน่นพูดเพียบสถานท่องเที่ยวบันเทิงกลางคืนโอ้ เทียบกับบ้านเรานี่ไม่ได้เลยอล์ขอด้วยเนฟารฟาขอฉันไปฝรั่งเศสงต่ดูอาตื่นละหมากลางคืนอ้โหคือเขานึกว่าอะไรที่อยากได้ในก็ขอไปเถอะแล้วอัลล์จะให้แต่อัลล์จะให้ในสิ่งที่เราคิดตัวมันดีแต่มันเลวร้ายไงเรามองว่ามันดีแต่ที่จริงเนี่ยตามหลักมันเลวร้าย อีกด้วอย่างนึงทุระหนึง่งสมมติว่าทุรกดีนะ่ะทุระดีเช่นไปทำองรอยไปทำฮัเราอยากไปทำองุ่นร อ, อากันนัดกันละไปกับครอบครัวไปกนัดไปไปสนามบินพอมาไปนี่รนรไปรากฏว่าไปแล้วเนี่ยเครื่องดิลีเครื่องดิลี หรือเครื่องถูกยุกเลิกทั้งนั้นที่เราก็ขอด้วยอ่ะาขอด้วยอ่ะนีเป็นรื่องดีไงนี่ดีในสายตาของเราแต่พรากฏว่าถ้าหากว่าในในกฎสภาวเดียวกันกับถ้าขึ้นเครื่องนะจะมีคนป่วยเนี่ยในคณะของเราเนี่ยมีคนป่วยเราจะเสียชีวิตแต่อ l l a h ไม่ต้องการให้เขาเสียชีวิตตอนนั้นก็เลย ระวิงเวลาไม่ให้เขาขึ้นเครื่องเนี่ยว่าถ้าอัลลอฮ์ตอบรับสิ่งที่เราริ่งริ่งในเรื่องนี้มัเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องดีโอเราขอให้เจ้ดินทางนีไ้ได้ขอดูอาตลอดแต่เราไม่ตอบรับทุกคนว่าไม่ตอ บ, บ, บรับนี่นเรื่องดีไงนะไปน้องรอดเนี่ยเรื่องดีนี่ไงเรามองเพียงผิวเผินภายนอกเกี่ยวกับเรื่องว่ามันเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่อัลลอฮ์มองมากวกว่านั้นนะก็คือภาพรวม ไปแล้วก็ไปตายกลางทางไม่ได้ทำอมรองไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ต้องไปคราวนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสคราวหน้าจะได้ไปต่ออันไหนจะดีกว่าเร า, ามองเห็นแล้วว่าอันนั้นอันที่สองนี่ดีกว่าอัลลอฮฺจึงบอกว่าถ้าอัลลอฮฺส่งริ่งตอบรับความชั่วของมนุษย์มนุษย์ไม่ได้ขอความชั่วนะแน่นอะนะนะแต่ขอในสิ่งที่มีความชั่วแฝงอยู่แต่เขาไม่รู้เช่นเดียวกับการริ่ง ของพวกเขาเพื่อขอความดีแล้วหมายถึงว่าถ้าเร่งความชั่วเหมือนที่เร่งความดีนั้นแน่นอนความตายของพวกเขาก็คงถูกกําหนดแก่พวกเขาแล้ก็เดียอิไลฮิมอจลูหมายถึงว่าสิ่งาสิ่งที่เขาขออันเป็นความชั่วนั้นมันก็จะมันก็จะเป็นความตายนั่นเองแต่เขาไม่ต้องการความตาย นี่อีกตัวอย่างหนึ่งที่วลมาโดยุกตัวอย่างเกี่ยวกับพญ า, านิเพราะเหมือนพ่อแม่ไม่พอใจลูกลูกสนลูกเกเลลูกด้วยเวลาเวลาที่โกรธโกรธลูกบางทีนี่ก็ดูอาขอย้ตายซ ะ, ะหรือหรือบางทีนี่ใช้ใช้คำ คำอุ ป, ปมาหน่อยขอให้พน้นพ้นซะพ้นนี่มันตีความได้ไงพ้นนี่นก็ไมายถึงว่อไปไปไปไปไหนก็ไปไปไหนไปรถชนนะห้พน้นนี่ตกตึดตายเงี้ยตอนที่เราแช่งตอนที่เราแช่งคนอื่นเนี่ยบางทีใช้คําที่เราไม่ได้จกตรงความหมายแต่ความหมายนี่ก็ไมายถึงวามมา่าขอให้มึงหายไปจากชีวิตของฉันอยา่าอยู่ ตอนน่าเชืเลยในบบกนี่้อัลลอฮุบฮานะหัวดาลาตอรับทันทีเลยช่วงนั้นเป็นดวงมุสตะจากทันทีหรือช่วงนั้นน่ยน้อบังเอิญน่ยนะมีอะไรก็แห่งความเมตายุรบรวนะแล้วอัลลอฮฺสั่งเลยมาอะไรก็คนนี้ขอดูอะไรเนี่ยอามีในอามีอะไรมาเลยอะก็ต้องปฏิบัติตามคาสั่งอัลลอฮ์บังเอิญเราก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้ แล้วก็ไปขอดูอะไรเลอะเทอะแบบนี้ลูกกำลังเกเรลูกกำลังสนแล้วก็ดื่มตาซะมึกไปปุ๊ไ ป, ไปแล้วบางทีเนี่ยลูกก็แช่งพ่อแม่มพ่อแม่ผู้ใหญ่เนี่ยแช่งลูกหลานนี่ก็มีท่านนาบีสอลว่ลวอัลลอฮสัลลัลมตื่นไว้นะอะดิสบันบันตุบนบนบนีบูดาวด รังานด้วยบอับดุลล์ท่านนบีซลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมกว่าแล้วะดูลอันฟุตุุมจงอย่าขออุ่นแช่งตัวพวกท่านเองและจะดูอัลลอฮฺอุลัยดิกลมและจงอย่าแช่งแช่งมันหมายถึงว่าดูอุ่นในสิ่งที่เลวร้ายตอตัวพวกท่านเองตอลูกหลานของพวกท่านเองและจะดูอัลลอฮอัลมุาลิกุมจงอย่าแชงทรัพย์สินของพวกท่านเองนี่เนย คนไทยเราเนี่ยอะติดลิ้นเจออะไรนิดเดียวเนี่ยเรือหายเรือน न न ี่สังเกต้ว่าชิปเจออะไรนี่เรือหายเรือหายนิดนงะรถสตาร์ทไม่ติดนะเรือหายนะพอเจออะไรนิดนึงอะเรือหายหายจริงด้วย หายนักไงนิดหนึ่งเปิดก็น้ําไม่ไหลอ่าเรือหายน้ําก็ขาดไปทั้งวันทั้งคืนเลยตัวเองแช่งตัวเองแมก้กระทั่งซับสินนะนะนบีบอกว่ารัพย์สินเนี่ยอย่าแช่งรัพย์สินเนีย่ยคนไทยเนี่ย ช, ชอบชอบแช่งตัวเองแช่งรัพย์สินตัวเอง และตัวฟิ่กูหรือถ้าหากว่าพวกย่อหนีฝาฝืนแล้วก็ยังจะยังจะสับแช่งตัวเองสับแช่งลูกหลานสับแช่งสักนตัวเองและตัวฟี่กูมีแตลอยซ่าการแช่งเนี่ยจะพบจะบรรจบกับเวลาเวลาหนึ่งที่อัลลอห์กำหนดไว้ฟี่ฮะอิจาบะตุนมีการตอบรับดุอาร์ ตอบรับการร้องการขอจากพวกเจ้านี่นะฟายัสตจีบุลกุมอัมมอก็จะตอบรับตอบรับการแช่งของเราได้อะไรจากคำสังสอนนี้หนึ่งณอัลนละอ์ น, นี่คำพูดของมนุษย์นี่มีค่ามีค่าในทุกอริยบทแต่มนุษย์เองเนี่ยไม่เห็นค่าของตัวเอง แบบนี้ออกพูดเล่นเรานี่อันนี้เป็นทางออกที่ง่ายที่สุดนะพูดเล่นกินยังไม่อิ่มมานานแล้วที่กินไปแล้วอันนั้นน่มันกินเล่น้ทุรียนนีไปนี่ลทำไกําลังอาปาลังเดินเล่นชีวิตของเราถ้าเรื่องเล่นๆเนี่ย มันเป็นทางออกหรือเป็นข้ออ้างแต่ได้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบมาแล้วนั่นแสดงว่าเราไม่เห็นค่าไม่เห็นค่าของตัวเองนี่พี่ชายอิสลามไม่ได้มองว่าการเล่นนี่จะเป็นข้ออ้างที่มีเหตุมีผลที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบเช่นนิการยาลัง แล้วปล่อยธาตุสามอย่างมีผลต่อชีวิตทั้งชีวิตนะพูดเล่นไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหนึ่งเขมีลูกสาวแล้วก็คุยกับอีกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยดูข้าให้แกนิกายลูกสาวเลยแล้วคนนั้นน่ะก็พูดเล่นเหมือนกันนะนะโอ้ยกูรักนิกาพูดเล่นกันดีกว่กินน้ําชากินกาแฟกัน hey, พูดเล่นนี่เป็นผัวเมียกันแล้วนะ ถ้าเละกมหฮัดละว่าเลิกมาคบก็ถ้ามหฮัดไม่ถูกกำหนดเนี่ยยุคกำหนดนี้ยุลกำหนดนี้ยุกิด้าเกินดเกิหดกา้พุคกำหนดี้ยก็ใหี้ยัดกินได้มุคกหนดเี่ยเทดียมกับมดนี้ยุคกำหนดนี้ยุคกำนดนี้ยดี้ยุคกนดนี้ยุคกนดนี้ยุคกำดนี้ยุคกำนดี้ยูคกำหนดน้หนดี้ยุมกำนดี้ยูคกำหนดนี้ยุกำนดี้ยุคกำหนนี้กนดน้ยุกำหนดนี้กำหนี่หนดนี้กหนียุกดยกำหนดนี้ยุก แล้วก็กลายเป็นสามีภรรยากันแล้วล่นล่นไม่เล่นก็ถ้าไม่เอาเนี่ก็ำดำเนินการต่อไปนะไม่เอาเนี้ก็อย่ากันแล้วก็อยาก็คือ ก, ก็ต้องก็ต้องมีเรียค่าใช้อภอัทรมีมหาดเมียอยากได้ให้ลิ้นของเราคำพูดของเราเนี่ยครค่าอย่าละ่ะเธอเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนี่อย่าฉันนี่ก็เธอไม่กล้าหรอกที่จะหย่าฉัน เขาก็เลยพูดเลยไม่กล้าได้ไงเด็กอ่ะขาดแล้วยังไงอยผมพูดเล่นไม่เล่นเล่นอย่าเรื่องตหลกไม่มีเล่นเรื่นปล่อยทาตุธาตุธาตุใถือเป็นทรัพย์สินนะปล่อยธาฉันปล่อยเธอเป็นอิสระเป็นไทยแล้วเอ้ยฉันพูดเล่นไม่เล่นเขา อ, อิสระแล้ว อิสลามนี่ไม่มีนะถึงพูดเล่นในง่ายแบบนี้โดยเฉพาะจะมีถ้าเกี่ยวเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสิทธิของคนอื่นโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้ามันมินเมหรือเสีย่ยงต่อหลักศรัทธาเช่นดูมินใช้คำพูดที่ดูมิน ดูหมินพระเจ้าดูหมินหลักการศาสนาดูหมินนบีระบบก็พูดเล่นพวกมุนาฟิกีเนี่ยเคยมาอ้างอินนาคุณนาะนะคูตัวนลาบเนี่ยสุดตะวันเนี่ยถาจำได้นะเขาพูดตอนไป j ิ h า d กับท่านนบีนะนั่งกลางคืนกันนั่งจุดไฟแล้วก็กินน้ําเล่นกันพูดเล่นกันเขาว่านี่ไงเดี๋ยวเราเนี่ยสงครามตะบูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกับพวกพวกโรมันน่ะ แต่ดจะรู้มีแต่เนี่ยสาวกของนบีนี่นะได้แต่ชอบกินอาหารอย่างเดียวแต่เวลาเจอกับทหารโรมันเนี่ยเดีหนีอุตลุดเลเย้ท่านนบีลราสหามะเราบอกว่านกุรก็รทุมพวกเจ้านี่ตกศาสนาแล้วขานเกุนขุดดวละเขามาอ้างกับทนนบีนบีครับเราพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเรา กลาคืนในเวลามันยาวนานไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีติ๊กต็มีเงิเหมือนกันนะบางทีเนี่ยดูคลิปดูอะไรเนี่ยระวังบางทีมีคลิปนี่มีที่ดูมินศาสนาดูอะไรเนี่ยถ้าเราดูแลเพลินเนะี่ยดูแล้วดูอีกเนะี่ยนั่ น, นเสียงเสียงมากนะครับอัลลอฮฺมิตาถ้าใครที่จะแช่งใครจะแช่งตัวเองหรือแช่งทรัพย์สินเนี่ยถ้าไม่ ไม่จ๊กเอกับเวลาดูอามุสจาบนาเะรากนไม่ตอบรับไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งท oui no. no. ี right. <hir> ่ตัวเองเช่งแต่จงระวังถ้าหากว่าเป็นเวลาที่ดูอามุสจาบันอัลลอฮฺตอบรับเลยและย้อนกลับมาเตือนไอ้พวกที่ขอดูอาในเรื่องเลวเรื่องเรื่องดีแล้วก็ริ่นงทั้งสองกรณีนี่นะ อัลลอฮ์เนี่ยจะดูแลเขาให้ดีในเรื่องที่เขาเร่งความชั่วนี่เนาะเรไม่ตอบรับจะเรื่องเร่ ง, เรงความดีเดี๋ยเราจะพิจารณาให้อะไรยังดูแลเขานะอะไรมันยังเทคแคร์เขานะแต่ไอ้พวกที่ไม่แคร์ไม่แลไม่สนใจอัลลอฮ์สุภานุวตารัเลยเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาเตือนอีกทีหนึ่งเหมือนอายะห์ก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องการพบอัลลอฮ์สุภานุวตาร์นะ أ ا ج فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ل ِ ق َ ا ء َ ن َ ا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُنَّ. แล้วเราจะ ن ล่อยบรรดาผูหวั نلقاانا م ل ي ا ل ن ا อินละลัดีเนี่ยแรดูนเรื่ออ่านคนนี้ไม่หวังจะพบเราผลลัพธ์ของเขานี่คืออะไรอุไลกับมาวะฮูมุนเนอรเขาจะตกนรกที่บำนกของเขานี่ก็จะอยู่ที่นรกและนี่ก็เหมือนกันฟานาซาลัดีเนี่ยปล่อยเขาคนที่ไม่หวังจะพบแสดงว่าประเด็นนี้เนี่ยการพบอัลลสุบานอวาอัลล ให้มันเป็นจุดจำแนกระหว่างคนที่ระวังตัวกับคนดีไม่ระวังตัวในกรณีนี้เนี่ยเคสเนี่ยระวังตัวในเรื่องดูอาร์ระวังเขากลัว ว, ว่าเขาดูอาร์อะไรไปแช่งอะไรไปเนี๋ยวรถตอบรับนี่ต้องระวังใช้เวลาจะดูอาร์นี่ก็ต้องรอบคอบรอบคอบซึ่งมันสอดคล้องกับขบความความหว่วงที่เขาจะพบอลุญา เพราะคนที่หวังจะพบอลลน์นี่ก็จะต้องคำนึงถึงกการพบอลลไลน์นี่แสดงว่าในโลกนี้เนี่ยเราเสมือนอยู่ระหว่างการรอคอยที่จะพบอลลน์ทุกอาริยบทของเราเนี่เสมือนเราเรากำลังคำานึงถึงเรื่องนี้การพินิจพิจารณาของเราการคิดการคำนวณการการวางแผนของเรานี่มันก็ต้องคำานึงถึงเรื่องนี้การที่เราหวังว่าจะพบอลน มีอย่างถ้าเราดุอาต่ออัลลอฮ์ก็เท่ากับเราหวังว่าเราจะพบอัลลอฮ์แะอัลลอฮ์ะจะตอบรับดุอาของเราคนที่จะขอดุอาคนที่จะพูดอะไรนี่ก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนี่คือขอ้อแตกต่างอัลลอฮ์ก็บอกว่าส่วนที่คนที่ไมไม่ได้หวังว่าจะพบเรา่านะเนื่องจากว่าการพบอัลลอฮ์ไม่ไดีอยู่ในสายตาของเขาพวกนี้ก็จะไม่อยู่ในสายตาของเราสุภาเนาะ อันอื่นปล่างมันทิ้งมันท collective collective ี่ตัวญานีหิมในการละเมิดของเขาเนี่ยนงงงวยนี่ของเขาเนี่ยยามมาหุนตัวานีิมการอธรรมของการดื้อดิงของเขาเนี่ยยามมาหุนงมวยนี่ไม่ไม่สามารถจําแนกไม่สามารถรู้ว่าตัวเองกําลังพูดอะไรกําลังดูอาอะไรกําลังแช่งใครกําลังพูดอะไรดีไม่ดีกับใครนี่นงงวย ผู้ศรัทธานี่กต้องระวังคำคำไหนที่ออกมาเนี่ยคําหนึ่งเรื่องแรกนี่มาเลย์กาที่จะบันทึกที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยมาเยลฟิรูมิงกาลินอิลลาลเดียร์กีบูอาตีมนุษย์เนี่ยจะเปล่งวาจาสักคำหนึ่งมิงกาลินสักคำหนึ่งเว้นแต่จะมีรักีบละอาตี มีมแล้วก็ที่คอยบันทึกคํานั้นนะ่ะเป็นคําดีหรือไม่ดีชาวสนับนี่เขาบอกว่าคํานึงถึงว่าทุกคําเนี่ยเราต้องมีบัญชีรั้วํานี้เนี่ยมันจะถูกบันทึกในสมุดบันทึกแห่งความดีหรือสมุดบันทึกแห่งความชั่วเพราะสองเล่มนี้แหละที่จะกําหนดชะตากรรมของเราสองครั้ง ครั้งแรกฟื้นคืนชีพในวันเกียมาฟื้นคืนชีพมีสิ่งที่จะใา้มนุษยพ์พิสวงทุกคนเลยนะ่ะตก อ, อกตกใจหมดเลยอะไรอ่ะบรรดาสมุดเหล่านี้สมุดบรนทึกความดีความชั่วเนี่ยมันจะถูกโยนกระจายไปยังมนุษย์ทุกคนให้ทุกคนได้จับแ่จับเล่มเดียว ไม่จับสองเล็มนะทุกคนจะจับเล่มเดียวถ้าใครได้จับเอาแล้วเราจะเลือกอ่ะเราไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าใครจะจับด้วยมือขวานั่นนี่ยคือคนที่รอดแล้วใครจะจับด้วยมือซ้ายนั้นน่ยคือไม่รอดมือขวานี่จับอย่างงี้เหมือนคนทั่วไปเวลาจับของนี่ก็จับอย่างงี้พอจับแล้วเนี่ยก็จะดีใจคนที่จะจับด้วยมือซ้ายนี่ไม่ใช่อย่างงี้นะไม่หมุนอย่าง สมุดจะมาคือสมุดมันจะกระจายมานี่นะถ้าเราเห็นว่ามือขวาของเรานี่ไปคว้าจับของเราอันนะั้แสดงว่านั่นนะเราหรอแต่ถ้าเห็นว่ามือของเรานี่มือซ้ายเนี่ถูกบิดบิดเพื่อจะได้มาจับมือมาจับสมบุดจากข้างหลังนี่นะเพราะมันมีอายะในสุรตะลินชิคก็รบบอกว่าได้รับหนังสือจากข้างหลัง แล้วก็มีอายะที่บอกว่ารันั่งสื่อด้วยมือซ้ายทูลมาก็เลยบอกว่ารับนั่งสื่อด้วยมือซ้ายแจกด้านหลังนี่เข้าใจอันนี้ครั้งแรกแลก็สมุดบันทึกเนี่ยมันจะกําหนดชิตาการมนี่ครั้งแรกครั้งที่สองล่ะยังไหความเป็นธรรมนะยังไงความเป็นธรรมช่งเอามาตัวเองมี ความดีใช่ไหมเอา嘛เอาเอาส ม, มุดความดีนี่มาช่างเราส ม, มุดความชั่วนี่มาช่างถ้าส ม, มุดความดีนี่หนักกว่าเข้าสวรรค์หนักกว่าเพียงคะแนนเดียวนะเข้าสวรรค์แสดงว่าเครื่องช่างนี่มันมันช่างดิจิตอลมากเลยสามารถบันทึกความดีเพียงหนึ่งคะแนนนะ มากกว่าความชั่วอีกรั้งหนึ่งโอ้อียดจิบเลยชาวซาลัฟเนี่าก็เลยบอกว่าแต่มีบางคำเนี่ยไม่รู้ตกลงมันเป็นความชั่วหรือมันเป็นความดีการที่เขาการที่เขาทํามัระวังในคาพูดของเขา มีชาวาลคนหนึ่งมาถามตอูบอกว่าท่านครับตอนที่เราป่วยเนี่ยแล้วก็โอ้ยโอยกันเถอะโอ้เโอ้ว่าดูโอ้ตงคว่าโอ้นี่มันจะถูกบันทึกเป็นความดีหรือความชั่วตูบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ ทำไมสัลับบางคนนี่บางว่นเราอาจจะไม่รู้นี่กูยับยั่วอ้ยดีกว่ากูว่าว่าถ้าไปโอ้ยว่านี่อ้ยแล้วก็มันดันไปถูกบันทึกในสมุดความชั่วนี่นะยุ่งสิทําไมอ่ะเพราะไอ้ไอ้อุ้ยไอ้อ้ยของเรานี่มันเยอะเหลือเกินสนุดนิ้งหนึ่งอุ้ยไอ้น้อุ้ยตกลงไอ้วุ่อ้ยอยทั้งหมดเนี่ยนับสิในในชีวิตเนี่ยกี่ครั้งะ แล้วจะสมตุติอ่าฝอโอนามาเขาบอกว่าโอ้ยทีทีโอ้ยเนี่ยไม่พอใจบ่าเท่เากําหนดถ้าไม่พอใจเนี่ยแสดงว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีแล้วแต่เราตอนโอ้ยเนี่ยเราคิดอะไรไหมโอ้ยหมายถึงว่าอดทนออ้ยอดทนโอ้ยคิดแบบนั้นไหมไม่เน่ อแล้วเวลาป่วยป่วยหนักแล้วก็เจ็บปวดนี่ก็ระวังกันบ้างนะโอ้ยเซ็กอย่างนีอย่อ้ยเอาเอาเอาที่เอาที่มัน ช, ชัดๆเนี่ยเรายังเคลียร์ไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ที่เราพูดมันเลอะเทอะนี่นะยังเยอะอีกเยอะถ้าโอ้ยโอ้ยนี่ถ้าระดับเราเนี่ก็ถือโอ้เป็นเป็นคนสอนแรกๆนี่เ น, นี่ยโอ้ยโอ้ยเนี่ย เอาเรื่องที่มันเลอะเทอะกว่านี้นี่ที่ยังยังเลิกกันไม่ได้เนี่ยก็จริงแต่นี่เล่าให้เล่าให้ฟังเล่าให้บอกกันนะว่าสำหรับผู้ศรัทธานี่ความหวังในการพบอัลลอฮฺสุบฮานาห์ดาระจะต้องทำให้มีผลในชีวิตของตัวเองนะครับอีกกลนนุ่นึงในบรรดาผู้ที่ไม่หวังในการพบอัลลอฮฺสุบฮานาห์ละก็จะมี أ ا م พฤต ا กรรม أ ي ا ة د ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ا ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ أ ي ّ ة ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ي ّ ة أ ي ّ ة أ ا ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ّ ة أ ي ي ي ي เขาก็จะวิงวอนขอเราในสภาพนอนตะแคงดูอานี่เวลาเราประสบปัญหานี่เราก็ขอในทุกกรณีทุกสภาพเลยนอนตะแคงก็ขอหรือนั่งก็ขอหรือยืนก็ขอขอหมดแหละทุกสภาพเพราะเราอยากจะหลุดพ้นจากอันตรายจากความเดือดร้อนนี่ขอในทุกกรณีครั้น เมื่อเราปลดเปี้ยงอันตรายของเขาให้พน้นจากเขาไปแล้วเขาก็เมินคล้ายกับว่าเขามิได้วิงวอนขอเราให้พ้นจากอันตรายที่ได้ประสบแก่เขาพอลรตอบรับดูอาให้พ้นจากอันตรายแล้วนี่นะสุขสบายแล้วนะไม่ดูอาแล้ว พออยู่ในสภาพที่พ้นอันตรายแล้วนะสบายแล้วไนงะแต่แข่งง่วงง่วงกนั่นเฮ้ ย, ยนานเยอะยืนรีบรีบรีบรีบไอ้ที่ต่อกอนนูนะ้นน่ะไม่สนใจนะ มีนา่นมีอะไรเนี่ยโอ้ยอโยอ๋อโยอ๋อแต่แข nah ้ง oh, ก็โยอ๋อยรบีน na ั่งก็โยอ๋อโยบีพอเดินไปที่ไหนนี่ยโอ้คนก็ดูหนูคนนี้หนูรอดเลยไม่ลืมอัล้นเลยถ้าแข้งก็ดูอานั่งก็ดูอาเดินก็ดูอายืนก็ดูอาทั้งนั้นนะแต่พออยู่สุขสบายแล้วนี่นะพี่น้องลองนึกภาพนะ ถ้าเราเดืร้อนนะเดือดร้อนอย่างเช่นอป่วยอะไรสักอย่างหนึ่งไปหาหมอแล้วหมอบอกว่า เ, เราป่วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นโรคอันตรายร้ายแรงอะไรสักอย่างหนึ่งจะมีไหมเราจะเอาเมือถือแล้วก็บังเกียดูทิกต็อกันนี้ดูคงจะเป็นท่าอย่างนี้หนระอโวมีมีแล้ว ทางรอดมีมีแล้วหนูเรียพรองทกันผมได้ดูข่าวเวลาเขาเอาข่าวคนที่นั่งรอรถเมย์นั่งรรถไฟฟ้านี่มันมันมันไม่ผิดสังเกตแล้วไงมันเป็นสิ่งปกตินะคนที่นั่งในรถเม์คนที่รอรถเม์คนที่นั่งรถไฟฟ้าหรือรอรถไฟฟ้านี่ทำอะไรอยู่ดูมือเถขี้ยมือเอ แต่พอไปดูคนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมไม่เห็นมีใครจับมือถือเลยไม่เห็นมีใครสนใจจะไปนั่งดูมนุษย์นั่งดูทิกติกกันมาอะไรกันไม่ใช่เลยภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เราจะไปไปหาทางออกจากของเล่นแบบนี้แสดงว่าเราต้องยอมระบวบามันก็คือของเล่นมันไม่ใช่อของจริง เออจะนึกออกเนยว่าเอามือถือมาจะได้หาดูอาที่เขาขอช่วงไปพิบัติเนี่ยนะแต่แม้กระทั่งในช่วงนั้นนะ่ะคนก็จะเทียบ ว, ว่าไอ้ฉันไอ้ตกต่ําขนาดนี้เลยเหรอดูอาขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยฉันจะต้องมาพึ่งพามือถือแล้วฉันเนี่ยไม่ได้จดจำดูอาอะไรแม้แต่บทเดียวจะได้ร้องขอต่ออัลลอฮ์สุหานเอาใจเลย ฉันฉันแย่ขนาดนั้นเลยลหรอชีวิตของเรานี่มันผูกพันกับมือถือขนาดนั้นเลยเหรอข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์สองคนเนี่ยหรือคนเดียวกันเนี่ยเวลาเดือดร้อนขอตอัลลอฮฺสุภาณอัลลอฮฺเวลาสุขสบายลืมอัลลอฮฺสุภาณอัลลอฮฺแล้วก็ได้พูดถึงประเภทมนุษย์เนี่ยที่ลืมอัลลอฮ์นัสนลุลลอห์ นสุลลอฮ์เขาลืมอัลลอฮ์น่สุลืมอัลลอฮ์นสุลืมอัลลอฮ์ฟนักยาห์มอัลลอฮ์ลืมเขาอลลไม่ลืมใครนะแน่นอนมนุษย์เนี่ยลืมอัลลอฮ์นี่ไหมว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในอยู่ไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้อยู่ในในมันสมอง ا ل ل ه ن ن ْ م ل ُ م ن د ن ا أ ن ت َ ك ر ي ا ن ي َّ ت َ ح ِ خَبَرُ ب ِ أ ف ع ا ل ا ل م ق ا ب ل ة ب ِ ا ل ك ر ي َ ة ِ ا ل ل ه ُ ت ط ب ِ ط م َ ن إ ن ه م ي ك ي د و ن ك ي د ا و أ ك ي د ك ي د ا ف م ه ل ا ل ك ا ف ر ي ن ع م ل م ا ن ي ج م ِ ع ُ أ ب َ ا ء ي ْ ن ق م ي أ ب ا ء ي دِينَ ا ل ل ه م ِ ت َ و أ ب َ ا ء َ ي ْ ن ِ لَبْ أ ُ แต่นี่ตอบโต้ถ้าเขามีอุบายนี่ยเราจะมีอุบายสมายถึงอลละไรเราจะตอบโต้เขาแต่ a l l a ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้า ท, ที่ที่ต้องการมีอุบายอุบายนี่หมายถึงมาวางแผนแล้วก็ดักรอเขา Allah ลลไม่ต้องการหรอกอุบายแบบนี้ถ้าเราจะลงโทษจัดการทันทีเนี่ยสั่งอย่างเดียวสั่งการอย่างเดียวนี่ก็เหมือนกัน น่สุดละเขาลืม Allah อเลกมันก็ลืมเขาในหมายทิ้งว่า Allah ก็ไม่สนใจเขาเขาไม่ได้เอาเรื่องของอ l l a h มาใส่ใจในสมองของเขาในหัวใจของเขาอ l l a h ก็ไม่ไม่ไม่มองหรือไม่แคร์หรือไม่แลสภาพของเขาไม่สนใจกระด่าลีก สภาพนี้แหละสภาพคนที่เวลาเดือดร้อนก็ดูอาตอ Allah เวลาสุขสบายนี่ก็ไม่ไม่วิงวอนต่อ Allah สุภาพนั่นแหละจุยนะอิลมุสริฟีนะมาการุยามาลูนเช่นนั่นแหละทูทําไม่สวยงามอะไรอ่ะไอการที่มีสองจิตสองใจนี่แหละตอนเครียดแล้วก็ตอนสบายมีสองจิตสองใจเนี่ยทําให้คนรู้สึกว่าน ก็มันก็มันก็เราก็เป็นแบบนั้นมันไม่น่าจะเป็นข้อตําหนิเราได้เห็นว่าคนก็กทํากันอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขายอมแล้วว่านี่คือสาพับของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าตําหนิกเ็เรากับถูกทําให้สวยงามมาออกมาเรื่องธรรมดาไม่ต้องมาตําหนิกันแบบนี้เดอร้อนละหมาดพอไม่เดร้อนก็ทิ้งละหมาด พอมีจาระยะเออเราก็ทําบุญเรียกตัะแบมาอ่านคุตัานแล้วก็มานั่งมาแต่งเนื้แต่งตัวแต่งหน้าทุกอะไรสมันมันเข้าเข้าทรงด้วยนะมันจะได้เข้าทรงเนี่ยเมาแล้วตัะแบแล้วก็มาอ่านกุตัานแล้วก็มานั่งกุตัานแล้กคู่ช่วกันวอรากันโยกกันไปโยกกันมาเพราะมันมันเป็นช่วงคนกําลังตายเูาเรากําลังส่งร่วงส่งบุญให้เข้าไงแล้วพอหมดแล้วไงสามวันหมดและสามวันทําบุญคนตายเนี่ยหมดแล้วฮะ กลับมาติ๊กตอกเหมือนเดิมันแบล้วอะเรุอ่านนะที่อ่านเมืกี้เนี่ยไอ้ที่จนนิดถึงความตายนิดถึงคนตายเนี่ยนะเอมนมันช่วงที่เราต้องการให้อัลละฮ์ช่วยเหลือเขาพอเราขอก็จบแล้วทำกันย่างนี้ทำกันจนเป็นนิจสินน่ะเป็นประเพณีแหละประเพณี่มีวรนห้า ช่วงตานี่มันก็เป็นพิธีของของพิธีของความตายเนี่ยนี่ก็ต้องเพร่งเคียดหน่อยมีอะไรที่เราต้องเป็นพิธีกรรมเนี่ยนะเราก็ต้องให้เกียรติพิธีกรรมพ้นไปแล้วอะนะเช้าไปงานศพกลางคืนไปผับยังได้เลยเชา้ชาเช้างานศพก็ดูท่าเขากลางคืน ไปพับละทําทุกอย่างที่มันสวนทางกับความตายที่กําลังกําลังให้เกียรติกันอยู่ในตอนตอนเช้านี่สองจิตสองใจนี่มันถูกทําให้สวยงามให้เป็นวิธีชีวิตของเราซึ่งอาจจะมีรูปแบบอื่นที่มันคล้ายๆเรื่องนี้หมายถึงว่าการที่เราไม่ไม่ให้เกียรติศาสนาไม่ให้เกียรติหลักการไม่ให้เกียรติคําสั่งสอนของพระเจ้า หรือไม่ให้ความสำคัญกับภารกิจของการทําไมบาดาภารกิจของไอบาดากับภารกิจของความชั่วมันก็เป็นคนละวาระถึงแม้ว่าจะใกล้ชิดกันก็าตามเป็นสภาพที่บ้านเรานี่ไม่ตาหนิไม่ไม่ควรตำหนิเลยนะเรื่องธรรมดาเลายนะดื่มน้ำท่อมพอได้อาจารย์แล้วนี่ก็ทิ้งน้ำท่อมแล้วก็อาบนละหมาดเข้าเปละหมา อันนี้อาจจะดูบาดหูบาดตาหน่อยนะแต่ที่หมายึงเงนไม่มีใครจะมาดื่มน้ำท่อมหน้าสุราอนนี้แน่นอนแต่ที่ทำกันหน้าสุรานี่นะบุรีใบใบอะไรนะใบจากอันนี้หน้าสุราเลยและใช้งบของสุราเนี่ยมาซื้อไอเนี่ยไอที่เขาทิ้ง อไ <watermelon vis> <ans> ่ยากจะพูดไอ้ที่เขาใช้งบของสุราเลยหน้าสุราสูบเสร็จแล้วอาซาอนอนอ่นละมา้เขาไปนี่กวาระน่นี่ก็วาระหนึ่งผมเคยไปมัสยิดละมาตารวีเสร็จแล้วนะอยู่ในมัสยิดนี่นะครับเอาใบจากออกละมวนมวนบังบันี่เราก็ ขึ่งละหมาดเลยวะผมยังไม่ได้จุดสักทีน่ะเช้ขุนน้องออกเองนอกถึงจะจุดอันนี้ยังแต่จะจะมีใครเล่าผมบ้งผมไม่คงไม่เชื่อทีนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองมันงนี่ยัอยู่ในมัสยิดนะเชฟผมยังไม่ได้จุดเลยนะที่มัสยิดมุนมุนมุนเมื่อออกแล้วเดี๋ยวผมจะไปจุดของเ้านี่คนละวาระกันนี่ประมาณเนี้ยถูกทําให้สวยงาม ถูกทำให้สวยงามเพราะฉะนั้นผมเคยสถานทูตซาอุดีเนี่ยเขาเคยจัดอบรมตัวอบรมอิหม่ามทั่วประเทศร่วมกับสํานักตุลาราชมนตรีตอนนั้นตุลาสวัสดมากันเป็นร้อยนะอิหม่ามทั่วประเทศเขาเข้าเข้าไปในในสัมมนาในเข้าไปในห้องอะนะแล้วก็อบรมเรื่องศาสนาเนี่แหละเรื่องคุณสมบัติของอิหม่ามเรื่องอัคคาเรื่อง เขาออกไปออกไปห้องสัมมนานี่เลยเลยลุไฟไหม้แลนะ้วควันเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของสวทีก็เป็นผู้รู้ไงเขาบอกว่าที่อะไรกันนี้่คือคือทำทโดยไม่มีใครตำหนิใครทำไม่เขาเอาว่ท้งทังันงทั้ทั้งั้ ไม่มีใครตำหนีใครไม่แบบว่า ม, มีแอบแอบกันนะไม่แอบนะถ้าว่ายังอิหมามกันทั้งนั้นอิละวะไรมึงกเห็นบางคนเนี่ยนะแตนีมมมมมมม่มันอะไรนะถูกทําให้สวยไอ้การที่เราได้มีสองวาระเนี่ยวาระนี้ดีเวลาเดือร้อนแล้วก็ขอดูอาดีไหมดีสิแต่เพียงแค่นี้และสุขสบายนี่ไม่ดูอาเลยนะเนี่ย ภารวมทั้งสองมีนะนี่ไม่ดีพระเดี่าคนอ๋อคนเดรถแล้วขอจะไม่ดีลก็ดีสิแต่ถ้าสุขสบายนี้ก็ต้องขอด้วยด้วท่านนบีสุลลัลลอฮอะลัยฮิสซลมให้สูตรที่มันมีความสวยงามแลก็มีความเป็นธรรมกับอัลละนบีบอกว่าเอรองลรรายาริชิดงรู้จักอัลลอยามสุขสบาย แล้วอัลลอฮฺจะรู้จักท่านยามมีความทุกข์ยามที่ท่านมีความทุกข์หมายถึงว่ายามสุขสบายเนี่ยเราทำหน้าที่วิงวอนต่ออัลลอฮฺเนียงสม่าเสมอบางเอิญถ้าเราได้เจอความทุกข์ได้เจอวิกฤตนี่นะก่อนที่จะขอดูอ้าวต่ออัลลอฮฺเนี่ยอัลลก็ช่วยแล้วอัลลก็ช่วยแล้วมีรายงานหนึ่ง มาลก์กาจะได้ยินเสียงเบาของอัลลอสุบฮานะว์วาดาละที่กำลังวิงวอนร้องขอเนื่องด้วยความเดือดร้อนมาเลยกาก็จะทูลไปบอกกับอลว่าโอ้หเสียงคุ้นๆเสียงที่เราคุ้นเคยมาโดยตลอดกำลังวิงวอนขอความช่วยเหลือยามทุกข์ มาเลย ก, ก็บอกว่าเสียงคุณเนี่ยไหมายถึงว่าตอนนี้มันเขาไม่ได้เดือดร้อนนี่เราได้ยินเสียงนี้เราได้ยินมาได้ยินมาโดยตลอดแน่นอนพอขอดูอาช่วงที่เดือดร้อนนี่นะมันจะไม่เป็นเสียงเสียงเออเสียงประหลาดในใครเนี่ <laughs> <laughs> นยไม่คิดว่าอะเสียงใครเนี่ยใครเนี่ยไม่ไม่เคยได้ยินเลยเพิ่งมาขอเนี่ยนะตอนเดียร์ตอนนี้เพิ่งได้ยินน่ะเนี่ยถูกทําให้สวยแกบ่บรรดาพู้ละมืด ขอบเขตในสิ่งที่พวกเขากระทำนี่สิ่งที่น่ากลัวมากนะครับความชั่วที่เราทําหรือสิ่งที่ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่งามที่เราทําเนี่ยถูกทําให้มองว่ามันสวยงามฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยต้องทบทวนตัวเองตรวจสอบตัวเองตลอดเวลานะครับว่าสิ่งที่ตัวเองทํำอยู่เนี่ย อย่าให้ความเคยชินของเราความเคยชินของสังคมการที่ไม่มีใครในสังคมมาตักเตือนเรานี่เป็นมาตรฐานที่จะตัดสินว่าอ๋ออันนี้แสดงว่านี่ถูกต้องแล้วรู้ยังไงอ่ะก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครเตือนแสดงว่ามันถูกอันนี้มันถูกต้องรู้ยังไงอ่ะก็เห็นเราทำกันนะอันนี้มันดีแล้วถูกต้องแล้วรู้ยังไงอ่ะก็ก็เห็นคนก็เขาไม่อะไรกันนิ ไม่ได้เราต้องมีโอกาสทบทวนนะพออยู่นานอยู่ไปอยู่ไปอยู่ม า, น, านั้นๆในสังคมเนี่ยหลายเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันถูกทำให้สวยงามมันเป็นเรื่องที่ถูกยอมรับในสังคมบางทีเรื่องไม่ดีเนี่ยถูกชื่นชมและเรื่อง ด, ดีดังหากเนี่ยที่จะถูกตำหนิในสังคมเนี่ยอัลลอฮฺบอูตงมนุษ ประเภทมนุษย์สองประเภทแล้วนะประเภทแรกนี่ทบทวนอะีกนิดนี่งประเภทแนะทกๆๆๆๆรกนะี่เร่งในสิ่งที่วิงวอนแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเนะี่ยเร่งขอมาแล้วนะี่เร่งอยากได้แเราแต่เราไม่ตาเขาสิ่งไม่ดีที่เขาเร่งเนะี่ยวเราไม่ตอบรับแต่สิ่งที่ดีเนี่ยเราจะพิจารณนาะให้แต่คนเหล่านี้นี่ไม่คำหนึง่งไม่คำหนึง ถึงคาสั่งสอนว่าอะไรที่ควรไม่ควรอะไรเดียวอนุญาตไม่อนุญาตในการขอไม่คำหนึ่งประเภทที่สองนี่ก็คือคนที่จะวิงวอนช่วงเดือดร้อนช่วงสุขสบายนี่ก็ไม่ไม่วิงวอนและเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ปกติปกติของเขาแล้วอัลลอฮฺจะมาพูดถึงกลุ่มชนในรุ่นก่อนที่เขา في و نسباب في ممتعي بني ولقد أهلكنا ا ل ق و ر و ن من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم ر س ل ه م بالبيانات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين صعبيني يقول قانك مي ب ن ي ل د و ن نون مي เราได้ทำลายประชาชาต จากสัตวัดก่อนจากพวกท่น ون, านแกรู้ว่าอุปบทของ ن, وت, ق ق ون, กอง ن, กัล่แปลว่าสัตวรษหรือยุคหรือกรู้ว่าอุปของกกัแปลว่าจำพวกให้ก็จำพวกอาจารย์ดเลกนี่ก็แปลเนี่นะอลักนลกรูนะเราได้ทาลายประชาชาติหลายจำพวกพวก่อนอันนี้เขาบอกว่าหลายสัตวรด ตอนจากพวกท่านไปแล้วถูกต้องทั้งสองแลว ม, มาวะละมูเมื่อพวกเขาเป็นผู้อธรรมประชาชาติยุคกอ่อนนี่เขาก็มีพฤติกรรมที่อาธรรมตัวเองที่ร่วมเกินละเมิดละการศาสนานี่ยเขาก็ทำลายเข้ามาแล้วทั้งนั้นดีเขาก็มีทางนำเขาก็มีแนวทางที่ Allah ลลไดน้นำเอาแล้วยะเอทุมรุสลุมบิลบัยนั และบรรดาเราสูลของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจง้งอธิแดงว่าเรามีโอกาสที่จะหลงที่จะกะระทำสุุมกะระทำความชั่วที่จะอยู่ในแนวทางอันเป็นความอธรรมเนี่ยทางดังที่เรากำลังจับมืออยู่กับ หลักฐานอันชัดแจ้งจากอัลลอฮ์อย่าว่าคนสามัญชนเลยที่จะหลงทั้งทั้งที่เขามีหลักฐานที่ชัดแจ้งนะอย่าว่าคนสามัญชนเลยนะคนที่มีความรู้มีความรู้พิเศษด้วยนะอัลลอฮ์จะทาให้เขาหลงก็ได้นะว่ al al a al a al ung, าดัลลัลลอฮูฮ่าลหอิลมินอัลลอฮ์ให้เขาหลงทั้งทั้งที่เขาอยู่บน อันแห่งความรู้ที่มั่นคงก็ลงล่าสุดมีผู้นำตริกัดทะเทศอิบกลายเป็นผู้รู้ของบรรดาดารานักสแสดงเพราะอะไรเพราะผู้นำตริกัดพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่บอกให้ <c oughs> สมาชิก กลุ่มของเขาเนี่ยให้เขาทำอะไรที่มันยุ่งยากในบรรดาสาวกหรือลูกศิษย์ของเขาเนี่ยก็จะมีพวกนางแบบมนแบบนักแสดงนักร้องนักเต้นกลายเป็นประเด็นอันดีประเด็นอีบที่ทำให้คนได้รู้ทาดแท้ของตริกัดซูฟีที่สุดตรง ที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางของอิสลามลูกศิษย์และกษัตริของเขาล้วนมีอาชีพที่ไม่ถูกต้องตามหลักรศาสนาแต่เขาไม่เคยบอกนะหนทํางานแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องพราพวกลูกศิษย์นี่เขาเริ่มรู้ธาตุแท้ของเขานี่เริ่มล่ะควักไส้ออกนั่งแบบคนหนึ่งก็บอกว่านี่เขาลายมาหาฉัน มัอกว่าเธอนี่เหมือนกาบบ้าที่ฉันอยากจะตัวว่ารอมรอบเธอคนนี้แล้วก็ครอบครัวของเขามีประวัติเป็นพวกแนวตอริกัดซูวีนี่มายาวนานและมีความรู้เรื่องศาสนาด้วยเขาอ้างอย่างนั้นนะ่ะะเข า, าะปกติแล้วนี่คนที่จะเป็นผู้นำตอริกัตนี่ก็ต้องเป็นผู้รู้เป็นคนธรรมดาไม่ได้ แต่ที่หลังเนี่ยเขาไม่รู้โอ้โหเขาแอบอ้างมีความรู้จริงเขก็มีอยู่ไม่มีความรู้แต่คนนี้เป็นหัวหน้าตรกะกัดแล้วก็มีความรู้จริงแ ล, ล้วก็หลงแบบนี้ก็ก็มีมันก็มีเยอะเหมือนกันแต่คนนี้นี่แบบมันน่าเกลียดมากเลยแบบคนทนไม่ได้เห็นสภาพบิดเบือนหลัการศาสนาที่คนทั่วไปนีเห็นชัดเห็นชัดแต่ที่ไอเ้แบบ การอื่นๆสลามกับลูกศิษย์สาวพวกผู้หญิงสลามกับผู้ชายนี่ผู้หญิงก็มาสลามจูบมืออะไรบางทีก็นั่งกอดนั่งกรลูบหัวลูบอะไรนี่อันนีนี่มีเยอะีเยซึ่งเป็นเรื่องที่อมาะสุภานุวนาให้พวกเราเป็นเครื่องมือตรวจสอบไม่ได้ตรสอบตัวเราอย่างเดียวนัก็ตรวจสอบคนอื่นด้วยผู้รู้ผู้นำ หลักการเมืองคนสําคัญในสังคมหลักการศาสนาต้องเป็นที่ตั้งผู้รู้เองเนี่ยเวลาพูดตารูดูให้เคราะห์ประเด็นหนึ่งถ้าขออ้างของผู้รู้นี่คือหลักการศาสนานี่มีเรื่องอายะกุรอ่านมีเรื่องหะดีสินะแสดงว่าผู้รู้นี่ไว้วางใจได้เขาจะอ้างอายะไม่ถูวหรือฮะดีส์น้อยเนี่ยเราก็ปไปตรวจไปตรวจสอบได้ เพราะสิ่งที่เขาอ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้แต่ถ้าหาว่าผู้รู้พูดพูดแล้วก็ไม่มีนะอุลแานก็ไม่มีฮะดีสก็ไม่มีแล้วก็มีอะไรมีคําพูดของมนุษย์ถ้าต้องเตือนเรื่องนี้เนี่ยไม่ไดีมีเฉพาะคนดีตาซุบยึดในมัจฮับอย่างเดียวนะแต่ก่อนนู้นนะเราจะต้องมีคนดียึดในมัจฮับอยู่ชาฟีอย่างเดียว แวเวลาอ้างเริ่องศาสนะล้วมาต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ไม่มีกุดอ่านไม่มีหาดีษเลยนะมีอ้างในตำรามัซาอย่างเดียวเราไม่ได้ละหมาดได้อิหม่ามชาบีนี่เราละหมาดได้ใอัลลอฮ์นี่อย่างน้อยเราก็ต้องมีรู้ว่าที่เราละหมาดอย่เราละหมาดเหมือนนบีไม่ได้ละหมาดเหมือนอีนี่เพราะตอนอิหม่ามชาบีนี่เขียนหนังสือนะเวลาท่านบอกว่าให้ทำแบบนี้เพราะมีหาดิษแบบนี้ตัวอิหม่ามชาบีเองก้างแบบนี้ แล่านีนีม้กระทังแนวสุนนะเองอะแนวสลับเองนี่ก็เป็นแบบนี้อ้งอะไรเนี่ยบเมบาสบอกอิบนซมินบอกก็ได้บด้วยความเคารพนะเป็นอุลามะแต่ไม่ใชอุลัยะไะดิษด้วยความเคารพนะบิมบาสหรืออัลบานีรอิบนซมินอนแค่ไปบอกเขาบิมบาสนี่คุณเนี่ยไม่ให้เกียรติศาสนารชเียบิมบาสนะรู้จรู้จ่า แต่ที่ตเองเราเยกอบูบักรเนี่ยก็ไม่มีไม่มีเชคอบูบักร์เรียก صحاب านบีนะอะบูบักร์รสมานอาลีนีก็ไม่มีเชกอะบูบักรมเชกอมารุสมาเลยอประเด็นนึมันไม่ดีเลยนะประเด็นนี้ที่ว่าผู้รู้เหล่านี้เนี่ยเราให้เกียรติเขาแน่นอนผู้รู้เหล่านี้เนี่ยที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจอุษุนัยแต่เวลาอ้างอิงเนี่ยเราต้องอ้างตัวบทแล้วเราต้องคุ้นเคยกับการอ้างตัวบทมันต้องเป็นเรื่องที่แบบว่า หมายถึงว่าเป็นมาตรฐานที่เราต้องยอมรับกันเอาแล้วแต่พอจะมาอ้างผู้รู้ได้แต่ต้องเป็นข้ออ้างอันดับถัดมาอันดับรองแต่เรื่องกาหนดทิศทางกรอบของศาสนาแล้วก็มาอ้างผู้รู้ผูรู้ผู้ไหนู้รู้นี่แล้วมันจะต่างอะไรกับมั่งัพล่ะต่างอะไรกันมั่งับท์ดนี้นี่สังเกตได้เลยวเรานี่มีสอมั่งศัพดวนี่มั่งัพชาวี ลามาจะฟาวザนีเยอะมากเลออาล็กกะจฟาวザนีอาล็กกะจิฟาวザน์ดยควมกระรบเป็นอุลามะแต่ไม่ใช่ศาสนาใช่ฟาวザนไม่ใช่นบีองเราแต่นี่นะเลยจะมายังไงใช่ฟาวザนบอกจะอาคีได้จะเชื่อยังไงใช่ฟาวザนกูยังไงขนาดนั้นเลยอ่ะนี่คืออานมฮดสนี่่ เราเลิกก็มั่นับละคนนั้นนี่ก็มีนะช่อัลบานีชบิมบาสนี่เราพูดแต่เราว่าเรื่องมั่ับเรื่องคนที่ยึดไม่มันับนี่เราแต่ที่ถ้าแนวสุนหน้านวสแล้วก็เราไม่พูดในข้อตาหนินี้ไม่ได้ไม่แฟร์แล้วก็ต้องพูดหมดมันเป็นมั่นะบียนเหมนกมัะเบียนเนี่ยึดมั่นับนี่ก็ยึดเหมือนกัน พ่บวานี่ชีฟเฝ้าจานนี่พูดไม่ถูกนะเพราะอะติสมันเองเฮ้ยเองจะรู้ดีกว่าชีฟเฝ้าจานนะเหมือนเลยอาารย์โน้นนะมั่งจำมัมชาวีอยงี้ไอ้ต่เนบีบอกงี้ไอ้มึงจะรู้มากกว่าไอ้มัมชาวีน่ะเหมือนกันเลยเมืเป๊ะเลยต่างกันอะไรนี่มีอุลตานี่ก็อานเราหนีกิดาบุลลาลสุนนะทั้งมีกิดาบุลลาลสุนน่ะมีอัลบาเนมีเฝ้านมีอิมบัซมีมีกิดาบุลลาลสุนนะ แล้วบอกได้เลยว่าจำนวนไม่น้อยในบรรดาเยาวชนที่ชอบอ้างอุลามาชอบอ้างอุลามานะเพราะกว่าท่องกุรานศึกษากุรานนะะดีสเนี่ยน้อยที่สุดน้อยที่สุดอนไหนอ่านไหมจิตเลนี่ยวนอุรานฮะดีสมีแต่ตื่นเช้าเป็นบ้สัตวานีนี่จุดดจุดจุงล้วไม่ได้น ผมเยอะไงเขาเมนนี่แหละโพสัยกับมันง่ายเหลือเกินนะแช่งง่ายเนหลงได้ถึงแม้ว่าตัวเองอ้างว่าใครบอกกับพี่น้องขอให้ชื่อมัสซิดเนี่ยมัสซิดเนี่ยอัศรัตลมุสตกิมนั่นหมายถึงว่าคนนี้อยู่ในมัสซิดนั้นนะอยู่ในสิรัตมุสติมใช่ไหมแนทางที่ตรงอ่ะไม่มีใครหลงไม่ใช่ ชื่อเรานี่มูฮัมมัดนี่แสดงว่าเรามีสุนทรคุณในบอยู่ในตัวเราล่ะการงานของเราเป็นตัวพิสูจน์กาเดลิกะนั่ซิลข้มุ่มจริมีที่เราอัลลอฮฺจะตอบแทนจะลงโทษแล้วนี่นะไม่ดิไม่ดิดูที่ว่าเราอ้างอะไรเราเราทําอะไรไว้กาเดลิกะเช่นนั้นแหละเราได้ตอบแทนแก่ م و ش َ ن ت ب ن َ ا ل ي ق ّ ن ا ل م ج ر م ي ن َ و ك ر َ ت م ْ ا م و ل م ن م ا ن ث م ج ع ل ن ا ك م خ ل ا ئ ف ف ي ا ل أ ر ض م ن ب ع د ه م ل ن ن ظ ر ك ي ف ت ع م ل و ن ن َ ج ن ك َ ا ن س ت و ت ك َ เผ่าพันุ์พวกคพวกในรุ่นก่อนๆนะแต่พวกเจ้าแหละแล้วเราก็ได้แต่งตั้งพวกท่านพวกเจ้านี่แหละสู่เจ้านี่แหละให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินหลังจากพวกเขาเหล่านั้นไปแล้วปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนี่ไปแล้วและพวกเจ้าละ่ะเขาทำความดีอะไรกับพวกเจ้าละ่ะ มีสําหรับคนที่ชอบอ้างโอ้บุยญาตาญาติเป็นอย่างนูดเป็นอย่างนี้เขาเคยทําอย่างงู้ดทำอย่างนี้แลเจ้าล่ะถ้าบางคนไก้เสียใจบุญญาตายาติฉันนะเขาแย่มากเขาแตมื่นั้ไม่เป็นไรแต่เจ้าล่ะไม่ต้องเสียใจเจ้าล่ะเพราะในคุณอ่านนี่หลอายะที่อัลลอฮฺได้บอว่าละซิรุวาซิรัติซรออครามีมีใครที่จะแบกภาระบาปความชั่วของคนอื่น เป็นหลักการสําคัญเพราะอิสลามมาเนี่ยช่วงที่ศาสนาที่กว้างขวางที่สุดในโลกนี้เนี่ยคือศาสนาคริสต์และศาสนาคริสต์เนี่ยขึ้นบนบรรทัดฐานของการแบกภาระบาปของคนอื่นนบีอาดัมทําบาปลูกหลานของนบีอาดัมต้องแบกภาระบาปของนบีอาดัมทั้งหมดลูกหลานนาบีอัลลูกหลา น, น, านเราเนี่ย จะได้พ้นบาปผลบาปยังไงมันเป็นบาปที่นักหมัวงเป็นบาปที่สืบทอดกันมาตลอดมนุษย์ชาติทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าจึงต้องเสด็จลงมามาแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนลงโทษเพื่อล้างบาปแล้วพวกเรานี่นะต้องเชื่อในสตอรีน่นี้จะได้ล้างบาป Allah ก็เลยฉีกความเชื่อนี้นี่บว่าอะรตะซือรัวซือรัวตุนฮซือรไม่มีใครต้องไปรับบาปของคนอื่นเขานบีทานบีอาดัมทาอะไรวะนี่ก็็นเรองนบีอาดัม Allah ก็อบัยโทษนบีอาดัมแล้วฟาตาลก็อาดัมมูมีรับีกะเมาดฟาตาบะลาแล้ว l l a ตอบบันมีอาดัมก็นบีอาดัมรานี่ไม่เกี่ยวรานี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรเลย เรานิสะสมอะไรขนขวาอะไรไว้เนี่ยอัลลอฮฺกระมามต่อลินัางดูละไงฟะตัมมาลูเพื่อเราจะได้ดูว่าพวกท่านจะปฏิบัติจะปฏิบัติต้นอย่างไรจะปฏิบัติตัวยังไงแต่จะหากว่าปฏิบัติดีแล้วก็ปู่ย่าตายายของเรานี่ดีกว่านะแต่เรายังยังดีนะแต่เขานี่ดีกว่านะอลตะจะปอบใจปู่ย่าตายายเนี่ยไม่ให้เสียใจว่าลูกหลานเนี่ย ตามกว่าเขาเนี่ยในสวรรค์เนี่ยเรก็จะยกสถานะให้อยู่กับตำแหน่งเดียวกับปู่ย่าตายเช่นเดียวกันถ้าปู่ย่าตายหย่ยังดีนะแต่ลูกหลานเขานี่ดีกว่าเราก็จะปลอบใจลูกหลานของเขาเนี่ยให้ปู่ย่าตาไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันในส่วนสวรรค์ a h ีอมนุอัตะบาตุมุรรยทุมบีมาน i h t u h ว่ามาอลตนาหุ่มในงานของพวกเขาจากทุกค ي ที่มีคามกสด้บากผู้เราได้รับจ้นทีเราับจากผู้นทีรับจากผูาได้รับจากคนที่ามด้รับจากผู้คนที่เาไี่เราได้รับากผู้คนที่เรดา้เนี่เราาเราไัจา้เราจทรา่าั้เนี่านัานั้นาด้ ี่ในชุมรมล่ะในชุมรมี่เป็นมาศีดสัญจรมสศีดเพื่อคนสัญจรฉะนั้นถ้ามีใครเดือดร้อนอยากจะละหมาดก่อนก็ละหมาดไปก่อนหมายถึงว่าให้มีหลาจะมาได้ไม่มีปัญหาถ้าในทศนามีทัศนาที่เฉันอยากจะละหมาดเวลาเนี้ก็ได้ก็ทำหลายจะมาก็ได้ไม่ต้องทะเลาะกันมันไม่ใช่มาศีดชุมชน ที่ต้องยึดจะมาเดียวอันนี้ยืดยุ่นได้ไม่มีปัญหาอมืมีคนอยากจะละหมาดตามมาซาฮานฟีดูรีก็ต้องบ่ายใช่าบ่ายนุ่นไม่ใช่เที่ยงครึ่งให้ก็ละหมาดเราก็ลมาดด้วกนเขาก็ละหมาดวไม่แล้วไม่ต้องทะเลาะกันแต่ได้ก็คุยกันได้อะนะถ้าคุยภาษาเดียภาษาทไทยเหมือนกันแะนะแล้วก็ยอมเออครึ่งทาง คนนี้ก็ไม่เสียหายคนนี้ก็ไม่เสียเอาเอาเอ า, เอาอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะทั้งสองศาสนาที่ปฏิบัติได้แต่ถ้าเราถ้ามาสัสยิดชเวี๋ยเนี่ยเขายอมไม่มสัสยิดฮานาวีไอ้ทิ่จะละมาที่ยงครึ่งไปละหมาดบ่ายให้หานาวีนี่นะก็ได้เพื่อาะมามาอคนครับเดี๋ยวอยาละหมานมาคนเราจะของเราปก็ควรยอมไม่มสัสยินาวีเพราะเขาเนี่ยละหมาดกับเราเนี่ย เวลายังไม่เข้าละหมัดนเขาไม่ซ้อแต่ถ้าเาละหมั่นกับเขาเนี่ยเวลามันเข้าแน่นอนแล้วละหมัดของเราหนีซ้อแต่เขาจะมาละหมัดตามเราเนี่ยละหมัดไม่ได้เพราะเวลาดูเรื่องไม่เข้าสําหรับเขาถ้าคุยภาษาไทยด้วยกันนะนะอืมบางทีเนี่ยก็คุยนี่วคุยภาษาบอสเนียนี่คุยภาษาตุรกีนี่ก็คุยไม่รู้เรื่องกัน เมื่อไหร่มีเหตุการณ์ว่าเมื่อไหร่บ้างที่เราจะยกคําพูดของอุลามะมาได้คือได้าหากว่ายกคําพูดอุลมามะเพื่อยืนยันในเรื่องหนึ่งแล้วก็อุลมามะคนนี้เนี่ยเขามียกหลักฐานอยู่แล้วเนี่ยก็ควรนี่จะยกหลักฐานอุลมามะบางท่านบอกว่าจิบโดยซ้ำถ้ามีในมัสฮัลล่านี่มีหลักฐานนะนะไม่ควรนี่จะยกคําพูดของมนุษย์อย่างเดียวควรนี่จะยกหลักฐานมาด้วยและผมเชื่อนะ วายักษ์ฟาอูซาเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องถูกถามเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะยกตัวบทแต่คนที่เอามาอ้างเขานี่ไม่ได้ยกตัวบทไม่ได้ยกตัวบทนี่แล้วก็แล้วก็เขานึกนึกว่าทัศนะนี่มันมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะคนนี้เขาพูดซึ่งไม่ใช่เนี่ยถ้ามีน้ําหนักนี่ก็เพราะที่หลักฐานนี่วายักาอูซเนี่ยเขายกมาแต่เขาไม่ได้ยกมามายกมาทำไมรู้ปะโพสมันเล็กและภาพมัน กินเนื้อไหนจะมีที่เอาอายะเอาหะดีษมามันเยอะเอาที่มีสาระแต่ถ้าเราให้สาระกับกูอ่านฮะดิษจริงๆเงภาพไม่จำเป็นก็ได้แต่ในพวกนี้เลยชิฟวูซานนี่เขามีด้วยทัศนิจฟาซานนี่เอาภาพแบบนี้มาติดนี่บาปนะทศนิจฟูซานผมก็แกล้งไอ้คนที่เอาชอบชิฟวูซานนี่แล้วก็ชอบเอารูปชิฟวูซานนี่มาติด ทั้งนั้นนี่ฟัตวาเขานี่ยทำในะแบบนี้เขาไม่ไม่ไมไมไมอเ น, แบบนี่ยนั่นเองว่าภาพของเชฟฟอสซานนี่มนไม่ดีสารละเอช่ฟาสซานบอกอย่างนี้นะเพราะหลักฐานสั้นๆนั่นแหละเพราะไอ้เ น, นี่ยสั้นๆเออแบบนี้ขังอ่ะมีกุรานอยี่ขังกว่า